นะโมตัสสะปะกวาโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะกอน้อมนๆแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไก่จากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นเรื่อเกี่ยวกับ ท่านพระมาหากปีนะในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระเชตวันอารามของท่านพระของท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีกรนันแลท่านพระมาหากปีนะ กำลังเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหากินะผู้มาแต่ไกลจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นภิกษุที่กําลังมานั่นหรือไม่ที่เป็นผู้ขาวโปรง มีจมูกโดง่งข้าพระองค์เห็นแล้วพระเจ้าค้าปิสตุงหลายพิสุนั่นแลมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแต่เธอไม่ได้สมาบัติที่เธอไม่เคยเข้าง่ายนักเธอกระทําไม่แจ้งซึ่งที่สุดแห่งปรมาจันทร์นั้นยอดเยี่ยมซึ่งกุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้น ด้วยปัญญาอันยิ่งเองอยู่ในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่จะได้ตรัสคำที่เป็นคาถาปรารบท่านพระมาหากปินะดังนี้ว่าในชุมนุมที่ยังรังเกียจกันด้วยโคดกษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐในเทวดาลและมนุษย์ปุริยสมบูรณ์โดยวิชาและจรณนะเป็นผู้ประเสริฐ พระอาทิตย์ย่อมแผดแสงในกลางวันพระจันทร์ย่อมส่งสว่างในกลางคืนก็ได้ยินว่าในอดีตการท่านพระมาหากปินะมีอภินิหารได้ทำไว้แทบบาดหมูลนของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปะทุมุตระเขาต้องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏ ได้เกิดเป็นนายช่างหูกผู้เป็นหัวหน้าในบ้านช่างหูกแห่งหนึ่งในที่ไม่ไกลาจากกรุง พ, พระนสรีกระนันพระปเจกขปุตชาวประมาณพันองค์ผู้อยู่ในหิมมวันตาประเทศแปดเดือนอยู่ในชนบทสี่เดือนอันเป็นฤดูฝนคราวหนึ่งพระปเจกขปุตชาวเหล่านั้น พักอยู่ในที่ไม่ไกลจากกรุงพรนนาสีแล้วส่งพระปัจเจกพุทธเจ้าสองรูปไปยังสำนักของพระราชาด้วยคำว่าท่านทั้งหลายจงทูลขอหัตกรรมเพื่อประโยชน์แก่การทาเสนาสะนะอนในการนั้นเป็นกรา ว, วัปปะมงคลแรกนาขวัญของพระราชาเท้าเธอได้สดับว่าไ่้ยินว่า พระปเจกผู้ตทชาทั้งหลายมาพระราชาจึงเสด็จออกไปตรัสถามถึงเหตุที่มาแล้วจึงได้ตรัสกับพระปเจกพู้ชาตอนนั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญวันนี้ยังไม่มีโอกาสเพราะพ่งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะมีงานมงคลแรกนาขวัญข้าพเจ้าจะทำในวันที่สามดังนี้ แต่พระราชาไม่ได้สรงอาราธนาพระปัจเจกกับบุทชาทั้งหลายไว้เลยได้เสด็จกลับเข้าไปแล้วพระปัจเจกพุธเจชาคิดว่าเราจะได้เราจะเข้าไปสู่ในหมู่บ้านแล้วจึงได้เลิกไปในขณะนั้นภรยาของนายช่างหูผู้เป็นหัวหน้าไปสู่กรุงพราณสี ด้วยกิจบางอย่างเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นนมัสการแล้วถามว่าท่านผู้เจริญพระผ่้เป็นเจ้ามาในการไม่ใช่เวลาพ้วยเหตุไรน้อแลเมื่อเธอได้ทราบความเป็นไปนั้นตั้งแต่ต้นเธอเป็นหญิงผู้มีศรัทธาถึงพร้อมด้วยปัญญาจึงได้นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยคาว่าท่านผู้เจริญ ขอท่านทั้งหลายจงรับภิกษาของดิฉันทั้งหลายในวันพรุ่งนี้น้องหญิงแต่พวกเรามีมากนะมีประมาณเท่าไหร่เจ้าข้าพวกเรามีประมาณพันรูปน้องหญิงหญิงนั้นจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญพวกดิฉันก็มีประมาณพันคนอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้คนหนึ่งคนหนึ่งจะถวายภิกษา แกพระผู้เป็นเจ้ารูปหนึ่งรูปหนึ่งขอท่านทั้งหลายจงรับภิกษาที่ฉันคนเดียวจะทำแม้ที่อยู่แก่ท่านทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นรับอารัตนาแล้วนั่งเข้าไปสู่หมู่บ้านจึงได้เป่ารองกินบาท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าประมาณพันองค์ได้นิมนต์ไว้แล้ว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 พระปัจเจกพุทธชาติทั้งหลายให้นั่งแล้วอังคาดด้วยโภชนะอันประนีดในเวลาเสร็จพัตกิจจึงพาหญิงทั้งหมดในหมู่บ้านนั้นพร้อมกับหญิงเหล่านั้นนมัสการพระปัจเจกพุทธชาติทั้งหลายแล้วรับเอาปฏิญญาเพื่อประโยชน์แก่การอยู่ตลอดไตรามาสแล้วเป่าร้องกับชาวบ้านอีกว่า พ่อและแม่ทั้งหลายบุรุษคนหนึ่งคนหนึ่งจากตระกูลหนึ่งตระกูลหนึ่งจงถือเอาเครื่องมือมีมีดเป็นต้นก็ไปสู่ปา่านำมาเอาทัพระสัมประมาสร้างเป็นที่อยู่ของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายพวกชาวบ้านนั้นตั้งอยู่ในถ้อยคำของนางแล้วคนหนึ่งคนหนึ่งทำที่แห่งหนึ่งหนึ่งแล้วให้สร้างศาลา มุงด้วยใบไม้พันหลังพร้อมกับที่พักกลางคืนและกลางวันแล้วอุปตากพระปเจกพุระเจ้เาผู้เข้าจำพรรษาในบรรณศาลาของตนของตนโดยตั้งใจว่าเราจะอุปตากโดยครพเราจะอุปตากโดยคอรพในเวลาออกพรรษานางจึงชักชวนคนทั้งหลายว่าท่านทั้งหลาย จงตระเตรียมผ้าเพื่อจีวรถวายแด่พระปัจเจกพุทธช้าทั้งหลายผู้อยู่จําปัญสาในบรรณาสาลาของตนของตนเถิดแล้วก็ให้ถวายจีวรมีค่าพันหนึ่งแด่พระปัจเจกพุทธชา่าองค์หนึ่งองค์หนึ่งพระปัจเจกพุทธทั้งหลายออกพัรษาแล้วทำมนุโมทนาก็หลีกไป แม้พวกชาวบ้านกระนันตำบุญนี้แล้วจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในภพดาวดึงมีนามว่าคณะเทวบุตรแล้วเทวบุตรเหล่านั้นสวยรทีพยสมบัติในภพดาวดึงนั้นในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพรินนามว่ากัสส ป, ปะเทวดาเหล่านั้น กิดในเรือนของกุุมพีในกรุงปรารีสหัวหน้าช่างหูกนั้นได้เป็นบุตรของกุุมพีผู้ใหญ่ฝายภรรยาของเขาก็ได้เป็นธิดาของกุุมพีผู้ใหญ่เหมือนกันยิงเหล่านั้นแม้ทั้งหมดถึงความเจริญวัยแล้วเมื่อจะไปสู่ตระกูลสามีก็ได้ไปสู่เรือนของบุรุษ เหล่านั้นนั่นแหละต่อมาวันหนึ่งเขาเป่าร้องการฟังธรรมในวิหารกุฎุมีเหล่านั้นแม้ทั้งหมดได้ยินว่าพระศาสดาจะทรงแสดงธรรมจึงปรึกษากันว่าเราทั้งหลายจะฟังธรรมแล้วได้เข้าไปสู่วิหารกับภรรยาในขณะที่ชนเหล่านั้นเข้าไปสู่ถามกลางวิหาร ฝนได้ตั้งเขาแล้วบรรพชิตตั้งหลายมีสามเณรเป็นต้นผู้เป็นกุลุปะกะคือพระที่เป็นผู้อุปตากหรือเป็นญาติของชนเหล่านั้นใดมีอยู่ชนเหล่านั้นก็เข้าไปสู่บรฏวิบินของบรรพชิตเหล่านั้นแต่กุดุมปีเหล่านั้นไม่อาจเข้าไปในที่ไหนไหนได้ประความที่ตนไม่มีพระอุปถาก คือกุลุ ป, ปะกะหรือญาติเห็นป่านนั้นก็ได้ยืนอยู่ท่ามกลางวิหารเปียกฝนอยู่นั่นเองลมแบบนั้นกุลุมพีผู้เป็นหัวหน้าจึงกล่าวกับกุลุมพีผู้เป็นบริวารเหล่าแบบนั้นว่าแต่ทั้งหลายจงดูอาการที่น่าเกลียดของพวกเราธรรมดากุลบุตรทั้งหลายลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้สมควรแล้ว พวกบริวารกล่าวว่านายพวกเราจะทำอย่างไรเล่าหัวหน้ากุฎุมพีพวกเราถึงอาการนนหน้าเกลียดนี้เพราะไม่มีสถานที่ซึ่งมีคนคุ้นเคยกันเราทั้งหมดรวมรับกันสร้างบริเวณเถอะพวกบริวารเห็นดีด้วยคนผู้หัวหน้าจึงได้ให้รับพันหนึ่งจนที่เหลือให้คนละห้าร้อยพวกหญิง ให้คนละ250ส่วนเหล่า น, นั้นรวมรวมท ร, ร, ร, รัพย์นั้นแล้วก็เริ่มสร้างซื้อบริเวณใหญ่เพื่อประโยชน์เป็นที่ประทับของพระศาสดาซึ่งมีเรือนยอดพันหลังเป็นบริวารเมื่อทรัพย์ไม่พอเพราะความที่นวกรรมเป็นงานใหญ่จึงได้ออกอีกคนละกึ่งจากทรัพย์ที่ตนให้แล้วในก่อน เมื่อบริเวณเสร็จแล้วชนเหล่านั้นเมื่อจะทำการฉลองมิหานจึงถวายมาหาทานแกภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอดเจ็ดวันแล้วจัดจีบอลเพื่อภิกษุสองหมืนรูปฝ่ายรรยาของกุดุมพีผู้เป็นโห น, นาไม่ทำให้มีส่วนเสมอด้วยชนทั้งหมดตั้งอยู่ด้วยปัญญาของตน คิดว่าเราจะบูชาพระศาสดาทำให้ยิ่งกว่าคนอื่นเขาจึงถือเอาพระอบดอกอังกาบกับผ้าสาดกมีสีดังดอกอังกาบราคาพันหนึ่งในเวลานุมโมทนาบูชาพระศาสดาด้วยดอกอังกาบแล้ววางผ้าสาดกนั้นไว้แทบบาทมูลของพระสาสดาตั้งความปรารถนาว่า ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอสตีรักของหม่อมฉันจงมีสีดุดดอกอังกาบนี่แลในที่หม่อมฉันเกิดแล้วและขอหม่อมฉันจงมีนามวา่าอนุชานั่นแลพระศาสดาได้กระทำอนุโมทนาวา่าจงสาเร็จอย่างนั้นเถิดส่วนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดดารงอยู่ตลอดอายุแล้วชุติจากอาตภาพนั้น ไม่เกิดในเทวโลกลในพุทุกประบาดการนี้จติจากเทวโลกแล้วกุดุมพีผู้เป็นหัวหน้าเกิดในราชตระกูลในกุกุฏวดีนครถึงความเจริญวัยแล้วได้เป็นพระราชานามว่าพระเจ้ามหากพินาชนที่เหลือก็เกิดในต ร, ร, ระกูลอรรมัดภริยาของกุดุมพีผู้เป็นหัวหน้า เกิดในราชตระกูลในสาขนคนครในมัตรัตพระนางได้มีสรีระเช่นสีดอกอังกาบนั่นเดียวพระญาติขนานพระนามแก่พระนางว่าอโนชานั่นแหละพระนางทรงถึงความเจริญวัยแล้วไปสู่ราชบุญเทียนของพระเจ้ากัปปินะได้เป็นพระเทวีมีพระนามว่าอโนชาแล้ว แมหญิงทั้งหลายเหล่านั้นก็เกิดในที่นั้นในตระกูลอมรมทั้งหลายถึงความเจริญวัยแล้วไปสู่เรือนแห่งบุตรอมรมะทั้งหลายเหล่านั้นเหมือนกันชนเหล่านั้นแม้ทุกคนได้เสวยสมบัติเช่นกับสมบัติของพระราชา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 ด้วยประการชนี้ก็ออกม้าของพระราชามีอยู่ห้าตัวคือม้าชื่อพลาหนึ่งชื่อพลาวานาหนึ่งชื่อปุปปาหนึ่งชื่อปุปปะวานาหนึ่งชื่อสุปตะหนึ่งบรรดาม้าเหล่านั้นม้าชื่อสุปตะพระราชาทรงเอง มาสี่ตัวนอกนี้ได้พระราชทานแก่พวกมาใช้เพื่อประโยชน์แก่การนำข่าวสารมาพระราชาให้มาใช้เหล่านั้นบริโภคแต่เช้าตรู่แล้วช่วงส่งไปด้วยพระํำรัสว่าพวกท่านไปเถิดเที่ยวไปสองหรือสามโยน์แล้วทราบว่าพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์อุบัติแล้ว จงนำข่าวที่ทำให้เกิดสุขมาแก่เรามาใช้เหล่านั้นออกโดยประตูทั้งสี่ทิศเที่ยวไปสองถึงสามโยน์ไม่ได้ข่าวก็กลับต่อมาวันหนึ่งพระราชาส่งมาชื่อสุป ต, ตะอันอมานพันหนึ่งแวดล้อมเที่ยวไปพระราชจุตยานท่าปพระเนตรเห็นพวกพ่อขา ประมาณห้าร้อยผู้มีร่างกายอ่อนเปลี่ยกำลังเข้าสู่พระนครแล้วทรงดำริว่าชนเหล่านี้ลำบากในการเดินทางไกลเราจะได้ฟังข่าวดีอย่างหนึ่งจากสนักแห่งชนเหล่านี้เป็นแน่จึงรับสั่งให้เรียกพ่อขาเหล่านั้นมาแล้วตรัสถามว่าท่านทั้งหลายมาจากเมืองไหนผู้พ่อขาก็แท มหาราชพวกข้าพระองค์มาจากนกครชื่อสาวัถีซึ่งมีอยู่ในที่สุดประมาณร้อยยี่สิบโยชนจากพระนคร น, นี้ประราชาก็ข่าวอะไรอะไรอุบัติในประเทศของท่านมีอยู่อย่างนั้นหรือข้าข่าวอะไรอะไรอย่างอื่นไม่มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้ว พระราชาเมื่อได้ยินดังนั้นมีพระสรีระอันปีติมีวันนาห้าถูกต้องแล้วในทันใดนันเองไม่อาจเพื่อจะกำหนดอะไรอะไรได้ทรงยับยั้งอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัสถามว่าพวกท่านกล่าวอะไรนะเมื่อพวกค้ากราบทูลแล้วเมื่อพวกพ่อค้ากล่าวทูลว่าพระเจ้ข้าพระพุทธเจ้า ทรงอุบัติขึ้นแล้วแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามเมื่อพระราชาได้ยินบทว่าสัมมาสัมพุทธโธก็ทรงยับยั้งอยู่เหมือนอย่างนั้นในเวลาที่สี่ตรัสถามว่าพวกท่านกล่าวอะไรนะพ่อเมื่อผู้พ่อค่ากราบตูลว่าพระเจ้าข้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือสัมมาสัมพุทธโธ ทรงอุบัติขึ้นแล้วจึงพระราชาจึงตรัสึ้นว่าพ่อทั้งหลายเราให้ทรัพย์แก่พวกท่านแสนหนึ่งแล้วจึงตรัสตามเขาต่อไปว่าก็ข่าวอะไรๆแม้อื่นมีอยู่อีกหรือพ่อพวกปร ก, กาศกราบทูลว่ามีอยู่พระชกฆ่าพระธรรมคือธรรมโมอุบัติขึ้นแล้วพระราชาทรงสดับ แม้คำว่า ร, รมโมนั้นแล้วทรงยับยั้งอยู่ตลอดสามมระโดยในยักก่อนนั่นแหละในวาระที่สี่เมื่อพวกพ่อค้ากรามทูลบทว่าธ ร, รมโมจึงตรัสว่าแม้ในพระบทนี้เราให้ทรัพย์แก่พวกท่านแสนหนึ่งพระราชาจึงตรัสถามต่อไปว่าก็ข่าวแม้อื่นมีอยู่อีกหรือพ่อ พวกพากากราบทูลว่าพระโชค่ามีอยู่พระสังฆรัตนะคือสังโคอุบัติขึ้นแล้วพระราชาทรงสดับแม้คำนั้นแล้วทรงยับยั้งอยู่ตลอดสามวาระอย่างนั้นเหมือนกันในวาระที่สี่เมื่อพว ก, พวกพากากราบทูลบทว่าสังโคจึงตรัสว่าก็แม้ในพระบทสังโคนี้ เราให้ทรัพย์แก่พวกท่านแสนหนึ่งพระราชาจึงได้ทรงแลดูอามาตย์พันหนึ่งแล้วตรัสถามว่าท่านอมาตย์ทั้งหลายพวกท่านจะทำอย่างไรพวกอมาตย์พระชจ้าข้าก็พระองค์จะทำอย่างไรเล่าพระราชาพ่อทั้งหลายเราได้สดับว่าพุทธโธธรรมโมและสังโคอุบัติขึ้นแล้ว เราจะไม่กลับไปรัชวังอีกเราจะบวชอุทิศ ต, ต่อพระศาสดาจะไปบวชในสำนักของพระองค์ผู้อมานแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายก็จะบวชพร้อมกับพระองค์ด้วยพระชาา่าพระราชาจึงรับสั่งให้เจ้าพลังงานอาลักษ์เจ้ารึกอักษรลงในแผ่นทองคําแล้วตรัสกับพวกพ่อขาบาปพระเทวีพระนามวันโนชา จะพระราชทานทรัพย์สามแสนแก่พวกท่านก็แลพวกท่านพึงทูลอย่างนี้ว่าได้ยินว่าพระราชาทรงสละความเป็นใหญ่ถวายพระองค์แล้วพระองค์ทรงเสวยสมบัติตามสบายเถิดก็ถ้าพระเทวีจะถามว่าพระราชาไปไหนพวกท่านพึงทูลว่าพระราชาตรัสว่าจะบวชอุทิศพระศาสดาแล้วก็เสด็จไป แม้อมาตต์ทั้งหลายก็ส่งข่าวไปแก่พระยาของตนของตนอย่างนึ่งเหมือนกันพระราชาส่งส่งพ่อค้าไปแล้วอันอมาตต์พันหนึ่งแวดล้อมแล้วเสด็จออกไปขณะนั้นนั่นแหละในวันนั้นแม้พระศาสดาเมื่อทรงตรวจดูสัตว์โลกในการใกล้รุ่งได้ทอดประเนร เห็นพระเจ้ามหากปินะพระ้อมทั้งบริวารทรงดาริว่าพระเจ้ามหากปินญานี้ได้ทรงสดับความที่รัตนสามอุบัติขึ้นแล้วแต่สำนักของพวกพ่อค้าทรงบูชาคำของพวกพ่อค้าเหล่านั้นด้วยทรัพย์สามแสนทรงสละราชสมบัติอนนาหมาตพันหนึ่งแวดล้อมทรงประสงค์เพื่อจะบวช อุทิศเราเราจะเสด็จออกไปในวันพรุ่งนี้เท้าวเธอพร้อมด้วยทั้งบริวาลจะบรรลุพระอารหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายเราจะทําการต้อนรับเท้าเธอในนี้แล้วในวันรุ่งขึ้นทรงบาทและจีวรด้วยพระองค์เองทีเดียวเสด็จต้อนรับสิ้นทางร้อยยี่สบโยดดุจพระเจ้าจ้กระพัด ทรงต้อนรับกำนันฉะนั้นประทับนั่งเปล่งรัศมีชพันรังสีภายใต้ต้นนิโครทะริมฝั่งแม่น้ำจันทภาคาณทีฝ่ายพระราชาสเสด็จมาถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งจึงตรัสถามอมารมว่านี้ชื่อแม่น้ำอะไรอมารมชื่อแม่น้ำ อาระวะปัจฉานาทีพระชก้าพระราชาก็แม่น้ำนี้ประมาณเท่าไรอมานโดยลึกคาวุธหนึ่งโดยกว้างสองคาพุทธชก้าพร ะ, ะาพราชาก็าไหนแม่ น, มน้ำนี้มีเรือหรือแพรหรือไม่ไม่มีพระชก้าพระราชาตรัสว่าเมื่อเราทั้งหลายมัวหาเรือ ยานมีเรือเป็นต้นชาติย่อมนำไปสู่ชราชราย่อมนำไปสู่บรณนเราไม่มีความสงสัยออกบวชอุทิศพระตนะไตรด้วยอนุภาพแห่งพระตนะไตรนั้นน้ำนี้อย่าได้เป็นเหมือนน้ำเลยดังนี้แล้วทรงระลึกถึงกุณฑพระตนะไตรระลึกถึงพุทธานุสติว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า พระนั้นเป็นพระอรหันต์ตักสมาบุตธเจ้าเป็นต้นพร้อมทั้งบริวารเสด็จไปบนหลังน้ำด้วยม้าพันหนึ่งม้าสินทบทั้งหลายวิ่งไปดุดวิ่งไปบนหลังแผ่นหินแม้ปลายกีบก็ไม่เปียกพระราชาเสด็จข้ามแม่น้ำได้แล้วเสด็จไปข้างหน้าได้ทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำอื่นอีก จึงตรัสถามว่าแม่น้ำนี้ชื่ออะไรชื่อนีละวาหานาณทีพระชก้าก็แม่น้ำนี้มีประมาณเท่าไหร่ทั้งส่วนลึกทั้งส่วนกว้างประมาณครึ่งโยชนพระชก้าก็คำที่เหลือก็เช่นกับคำก่อนนั่นแหละพระราชาท่าพระเนรเห็นแม่น้ำนั้นแล้วระลึกถึงธรรมานุสติว่าประตรรม อันพระผู้มีพระภาเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นก็ได้เสด็จไปครั้นเสด็จข้ามแม่น้าไปแล้วถ่าประเนตเห็นแม่น้าอื่นอีกจึงตรัสถามว่าแม่น้านี้ชื่ออะไรแม่น้านี้ชื่อจันทภ า, าขานทีพระชก้าก็แม่น้านี้มีประมาณเท่าไหร่ทั้งส่วนลึกทั้งส่วนกว้างประมาณยอดหนึ่งพระชก้า คำที่เหลือก็เหมือนกับคำก่อนนั่นแหละส่วนพระราชาทอดพระเนรเห็นแม่น้ำนี้แล้วทรงระลึกถึงสังขารนึกสติว่าประสงค์สาวกของพระพุาธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นต้นได้เสด็จไปแล้วเมื่อเสด็จข้าแม่น้ำนั้นไปได้ทอดประเนรเห็นพราสาศมีวันนาหกคือฉับพันธ์ทังสี จากพระสรีรักของพระศาสดากิ่งข้าคบและใบแห่งต้นนิโกรทะได้เป็นราวกว่าสําเร็จด้วยทองคำพระราชาทรงตริว่าก็แสงสว่างนี้ไม่ใช่แสงจันทร์ไม่ใช่แสงอาทิตย์ไม่ใช่แสงสว่างแห่งเทวดามารพรมนาคหรือกรุตเป็นต้นผู้ใดผู้หนึ่งเราอุทิศพระศาสดามาอยู่ จะเป็นผู้อันพระมหาโกตมะพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วโดยแน่แท้ในตันใดนั้นนั้นแหละเท้าเธอเสด็จลงจากหลังมาทรงน้อมพระสิริรักเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาตามสายพระรัศมีเสด็จเข้าไปภายในแห่งพุทธรัศมีเราก็ว่าดำลงไปในมโนศิลารถ ถวายบังคมพระาศาสดาแล้วประทับนั่งนะที่ส่วนข้างหนึ่งพร้อมกับอมตะพันหนึ่งพระราชาทรงแสดงอนุบุพิกถาแล้วในเวลาจบเทศนาพระราชาพร้อมด้วยบริบาลตั้งอยู่ในโสดาปฏิพ ล, ลดำเดบนนั้นชวนเหล่านั้นทั้งหมดลุกขึ้นทูลขอบัญชาแล้ว พระศาสดาท ร, รงไกรโกรนอยู่ว่าบาจีวรสำเร็จด้วยฤทธิ์ของกุลบุตรเหล่านี้จะมาหรือหนอแหละทรงทราบว่ากุลบุตรเหล่านี้ได้ถวายจีวรพันพื้นแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าพันองค์ในในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากสปะ ได้ถวายชีวรสองหมืน 20, แม้แก่ภิกษุสองหมือนรูปความมาแห่งบาทและชีวออันสำเร็จแล้วด้วยฤทธิ์ของกุ่บุตรเหล่านี้ไม่น่าอาจจัศจรรย์เลยดังนี้แล้วจงเหยียดพระหัตถ์ขวาไปแล้วตรัสว่าพวกเธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดพวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปรมจันเพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดดังนี้ ทันใดนั้นนั่นเองกุลบุตรเหล่านั้นก็เป็นราวกับพระเทระมีรรษาตั้งร้อยทรงบริการแปดเหาะขึ้นสู่เวหากลับลงมาถวายบังคมพระศ า, าสดาได้นั่งอยู่แล้วฝ่ายพ่อค้าเหล่านั้นไปสู่ราชตระกูลแล้วให้เจ้าหน้าที่กราบทูลข่าวที่พระราชาส่งไปเมื่อพระเทวี ให้โอกาสเข้าเฝ้าแล้วจึงตรัสถามพ่อข้าเหล่านั้นว่าพ่อทั้งหลายพวกท่านมาเพราะเหตุอะไรพวกพ่อขา้าพระราชาทรงส่งพวกข้าพระองค์มายังสำนักของพระองค์ในยะว่าขอพระราชทานทรัพย์สามแสนแก่พวกข้าพระองค์พระชก้าพระเทวีพ่อทั้งหลายพวกท่านพูดมากเกินไป พวกท่านทำอะไรแก่รพระราชาพระราชาทรงเลื่อมใสในอะไรของพวกท่านจึงรับสั่งให้พระราชทานทรัพย์มีประมาณมากถึงเพียงนี้พวกพก่อขาอะไรอะไรอย่างอื่นพวกข้าพระองค์มิได้ทำแต่พวกข้าพระองค์ได้กราบทูลข่าวแก่พระราชาพระชจาขาพอทั้งหลายก็พวกท่านสามารถบอกข่าวนั้นแก่เราบ้างได้หรือไม่ได้พระชจ้ข้า ถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงบอกเติดพระชจ้าข้าสัมมาสัมพุทธะทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกแม่พระเทวีเมื่อได้สดับคำว่าสัมมาสัมพุทโทก็มีพระสรีระอันปีติถูก ต, ต้องแล้วโดยในยะก่อนนั้นแหลทรงกำหนดอะไรๆ ไ, ไม่ได้ถึงสามครั้งก็ในวาระที่สี่เมื่อทรงสดับ บทว่าพุทธโธจึงได้ตรัสว่าพ่อทั้งหลายในพระบทพุทธโธนี้พระราชาพระราชทานอะไรรับแสนหนึ่งพระชก้าพ่อทั้งหลายพระราชาทรงสดับข่าวเห็นป่านนี้แล้วพระรา ช, ารา ช, าราชาทานรับแสหนึ่งแก่ท่านทั้งหลายชื่อว่าทรงกระทาไม่สมกันเลย แต่เราจะให้พวกท่านสามแสนในเพราะของกำนันอันขัดสนของเราข่าวอะไรอีกที่ท่านทั้งหลายกราบทูลแล้วพราะขาเหล่านั้นกราบทูลข่าวสองอย่างแม้อื่นอีกว่าข่าวอย่างนี้อย่างนี้แหละพระเทวีมีพระสรีระกอันปีติถูกต้องแล้วโดวยในยะก่อนนั่นแหละทรงกาหนด อะไรอะไรไม่ได้ถึงสามครั้งแต่ในครั้งที่สี่ทรงสดับอย่างนั้นแล้วเหมือนกันจึงรับสั่งให้พระราชทานทรั์ครั้งละสามแสนพ่อค้าเหล่านั้นได้ทรัพย์ทั้งหมดเป็นส2องแสนด้วยประการชนิดดับนั้นพระเทวีตรัสถามพ่อค้าเหล่านั้นว่าเพราะทั้งหลาย แล้วพระราชาเสด็จไปไหนพระเจ้าค่พระราชารับสั่งว่าจะบวชอุทิศพระสัสดาแล้วก็เสด็จไปก็แล้วข่าวอะไรที่พระราชาพระราชทานแก่เราพู้ประกาศในยะว่าพระองค์ทรงสละความเป็นใหญ่ทั้งหมดถวายพระเทวีแล้วในย่าว่าพระเทวีทรงเสวยสมบัติตามพระประสงค์เถิด ก็แล้วพวกอมาร์ตไปไหนล่ะพ่อก็แม้พวกอมาร์ตเหล่านั้นก็กล่าวว่าจะบวชกับพระราชาเหมือนกันแล้วก็ไปพระเจ้าค่าพระนางรับสั่งให้เรียกภรรยาของเราอมาร์ตเหล่านั้นมาแล้วตรัสถามว่าแม่ทั้งหลายสามีของพวกเจ้ากล่าวว่าจะบวชกับพระราชาแล้วก็ไปพวกเจ้าจะทําอย่างไร ยิงอมาตหญิ้งภรรยาของอมาตกล่าวว่าก็ข่าวอะไรอะไรที่พวกเขาส่งมาเพื่อหมอมฉันพระเทวีได้ยินว่าอมาตเหล่านั้นสละสมบัติของตนของตนแก่พวกเธอแล้วได้ยินว่าพวกเธอจงบริโภคสมบัตินั้นตามชอบใจเถิดญิงเหล่านั้นกล่าวว่าก็พระเทวีจะทรงทําอย่างไรพระเจ้าข่าพระเทวี แม่ทั้งหลายทีแรกพระราชานั้นทรงสดับข่าวนี้แล้วประทับยืนในที่ที่เดียวทรงบูชาพระรัตนไตรด้วยทรัพย์สามแสนทรงสละสมบัติดุดดังก้อนน้ําลายถุยทิ้งตรัสแล้วว่าเราจะบวชแล้วก็เสด็จออกไปส่วนเราได้ฟังข่าวพระรัตนไตรัแล้วบูชารัตนไตรนั้น ด้วยซับเก00ก็แลชื่อว่าสมบัตินี้มิได้จะนำทุกมาแก่พระราชาเท่านั้นย่อมเป็นเหตุนําทุกมาแก่เราเหมือนกันใครจะคุกเข่ารับเอาก้อนน้าลายที่พระราชาถุยทิ้งแล้วด้วยปากเล่าเราไม่ต้องการด้วยซับแม้เราก็จะไปบวชอุทิศพระาศาสดาข้าแต่ท่านพระเทวีแม้พวกหม่อมฉันก็จะบวชกับพระองค์เหมือนกัน ดีละแม่ทั้งหลายถ้าพวกเธออาจเราจะไปกันดังนี้แล้วก็รับสั่งให้เทียมรถม้าพันกันเสด็จขึ้นรถมา้อาออกไปพร้อมกับญิงเหล่านั้นพอปเตรเห็นแม่น้ำสายที่หนึ่งในระหว่างทางจึงตรัสถามเหมือนพระราชาทรงสดับความเป็นใบทั้งหมดแล้วตรัสว่า พวกเธอจงตรวจดูทางเสด็จไปของพระราชาเมื่อหญิงเหล่านั้นกราบทูลว่าพวกหม่อมฉันไม่เห็นรอยเท้าม้าสินทบพระชก้าก็ทรงดำริว่าพระราชาคงจะทำสัจจกิริยาว่าบวชอุทิศพระศาสดาแล้วก็เสด็จไปถึงเราก็ออกบวชอุทิศพระรัตนตรยัยด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยเหล่านั้นนั่นแล ขอน้ำนี้อย่าได้เป็นเหมือนน้ำเลยอังนี้แล้วก็ส่งระลึกถึงกุญพระนตนาไตรท่งส่งรถพันคันไปน้ำนั้นได้เป็นเช่นกับหลังแผ่นหินปลายเปล่าและกงเกวียนเกลียวกงแห่งล้อก็ไม่เปียกเลยพระเทวีเสด็จข้ามแม่น้ำทั้งสองนอกนี้ไปได้ด้วยอุบายอย่างนั้นเหมือนกัน พระศาสดาทรงทราบความเสด็จมาของพระเทวีได้ทรงธรมโดยประการที่ภิกษุทั้งหลายผู้นั่งอยู่ในสมณของพระองค์ไม่ปรากฏเห็นได้แม้พระเทวีเสด็จไปอยู่ถ้าประเนตเห็นฉับพันธังสีพุ่งออกจากพระสีรักของพระศาสดาทรงมีความดำริอย่างนั้นเหมือนกัน แล้วเสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายมังกรมแล้วประทับยืนอยู่นะที่ควนข้างหนึ่งตูนถามบ่าข้าถามพระองค์ผู้เจริญพระเจ้ามหากปินญะเสด็จออกมาหนวดอุทิศพระองค์เท้าเธอจะร่อยจะเสด็จมาในที่นี้แล้วเท้าเธอประทับอยู่ที่ไหนพระชจ้าขาพระองค์ไม่ทรงแสดงแม้แก่พวกม่อมชยมัยบ้างหรือพระศาสดา พวกเธอทั้งหลายจงนั่งก่อนจะเห็นพระราชาในที่นี้นี่เองยญิงเหล่านั้นแม้ทุกคนมีจิตเย็นดีนั่งแล้วโดยคิดว่าพวกเราคงจะได้เห็นสามีในที่นี้แหละประสาสดาในที่นั้นจึงได้ตรัสอนุบุพี่กถาแล้วในเวลาจบเทศนาพระนางโนชาทีวีพร้อมด้วยบริวาร บรรลุโสดาบันปฏิผลแล้วแม้พระมหากปิญญเทระพร้อมทั้งบริวารเมื่อสดับพระเทศนาที่พระศาสดาทรงขยายแก้หญิงเหล่านั้นแล้วก็บรรลุพระอารัตน์พร้อมด้วยปฏิสัมพิาทั้งหลายในขณะนั้นพระศาสดาทรงแสดงภิชฌาเหล่านั้นผู้บรรลุอารัตน์แล้วแก้หญิงเหล่านั้น ได้ยินว่าในขณะที่หญิงเหล่านั้นมานั่นเดียวจิตของเธอไม่พึงมีอารมณ์เป็นหนึ่งเพราะเห็นสามีของตนของตนนุ่งผ้าย้อมน้ําฝาดมีศีรษะโลน้นเพราะเหตุ น, นั้นหญิงเหล่านั้นจึงไม่อาจเพื่อบรรลุมรักผลได้เพราะเหตุ น, นั้นในเวลาที่หญิงเหล่านั้นตั้งอยู่ในสตานไม่หวั่นไหวแล้ว พระศาสดาจึงทรงแสดงภิกษุเหล่านั้นผู้บรรลุพระอรหัตแก่หญิงเหล่านั้นแม้หญิงเหล่านั้นเห็นภิกษุเหล่านั้นแล้วนมัสการด้วยเป็นจางครับประดิษฐ์แล้วกล่าวว่าท่านผู้เริญกิจบรรพชิตก่อนท่านทั้งหลายถึงที่สุดก่อนในนี้แล้วก็ถวายบังคมพระศาสดายืนอยู่นะที่ส่วนข้างหนึ่งทุลนขอบรรพชาแล้ว อาจารย์บางพว้กล่าวว่าได้ยินว่าเมื่อหญิงเหล่านั้นกล่าวทูนอย่างนั้นแล้วพระาศาสดาทรงดำริการมาของพระอุบลบรรณาเทรีแต่พระาศาสดาตรัสกับอุบาสิกาเหล่านั้นว่าพวกเธอทั้งหลายไปพึงไปสู่กรุงสาวัตถีบรรพชาในสํานักแห่งภิกษุณีเถิดอุบาสิกาเหล่านั้น เที่ยวจะริกไปโดยลำดับมีสักกระและสัมมาณะอันมหาชนนำมาในระหว่างทางเดินทางไปด้วยเท้าสิ้นหนทางร้อยยี่สิบโยต์บนในสำนักแห่งหนางภิกษุณีได้บรรลุพระอาหารหันต์แล้วแม้พระศ า, ศาสดาก็ได้ทรงพาภิกษุพันุ์รูปเสด็จไปสู่พระเฉตะวันทางอากาศนั่นแหละ ได้ยินว่าในภิกษุเหล่านั้นพระมาหากรพินะเที่ยวเปล่งอุทานในที่ทั้งหลายมีที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันว่าสุขหนอสุขหนอภิกษุทั้งหลายกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคว่าขค่แต่พรุ่งผู้เจริญพระมาหากรพินะเที่ยวเปล่งอุทานว่าสุขหนอสุขหนอเห็นท่านจะเปล่า กล่าวปรารบความสุขในราชสมบัติของตนราสดาจึงรับสั่งให้เรียกพระมหากปินะมาแล้วตรัสถามว่ากปินะได้ยินว่าเธอเปล่งอุทานปรารบสุขในกามสุขปรารบสุขในกามสุขในราชสมบัติอย่างนั้นรึค้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบการเปล่ง หรือไม่เปล่งปรารบการมาสุขและสุขในราชสมบัตินั้นของข้าพระองค์พระศาสดาจึงตรัสว่ามิกสุขทั้งหลายบุตรของเราย่อมเปล่งอุทานปรารบสุขในการสุขในราชสมบัติก็าหาไม่ก็แต่ว่าความเออบิ่มในธรรมย่อมเกิดขึ้น แก่บุตรของเราบุตรของเรานั้นย่อมเปล่งอุทานอย่างนั้นเพราะปรารพอามาตะมหานิพพานดังนี้แล้วเมื่อจะส่งสื่อนุสนที่แสดงธรรมจึงได้ตรัสพระคถาน้ว่าธรรมปีติสุขังเสติวิปสัสสนเนนะเจตัสสาอริยปะเวที่เตธรรมเม ทาระมติปันฑิโตแปลว่าบุคคลผู้เอื้อบีมในธรรมมีใจเป่าใสาย่อมอยู่เป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริเจ้าประกาศแล้วทุกเมื่อก็มีในซัยหนึ่งที่ท่านพระมากับินะอยู่ที่กรุงสาวัตถีหนังกูบลัง ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าไม่ไกลาจากพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมาหากริญผู้นณังกูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้านั้นแล้วจึงได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นความวันไหว หรือความโยกครงแห่งกายของพระของมหากรพินะนั้นบ้างหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลาใดที่ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นท่านผู้มีอายุนั่งในที่กล่าวสงก็ดีนั่งในที่รับคนเดียวก็ดีในเวลานั้นๆพวกข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้เห็นความหมวั่นไหวหรือความโยกครงแห่งกาย ของท่านผู้มีอายุรูปนั้นเลยพระชก้าภิกษุทั้งหลายความหวันไหวโยโกโคลงแห่งกายก็ตามความหวันไหวโ ย, โยโกโคลงแห่งชีก็ตามมีขึ้นไม่ได้ประการเจริญดำไม่มากซึ่งสมาธิใดภิกษุมากับปีหน้านั้นเป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งสมาธินั้น ปีสุดห้ายก็ความวันไหวโยโกคลงแห่งกายก็ตามความวันไหวโยโคลงแห่งจิตก็ตามมีขึ้นไม่ได้เพราะการจเจริญทาให้มากซึ่งสมาธิเหล่านาี้เล่าคือความวันไหวโยคลงแห่งกายก็ตามความวันไหวโยโคลงแห่งจิตก็ตามย่อมมีไม่ได้เพราะการจเจริญทาให้มากซึ่งอาณาปานาสติสมาธิ ปิสาจอลายเมื่ออาณาปานาสติสมาธิทั้นบุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างไรความวันไหวโยกโลงแห่งกายก็ตามความวันไหวโยกโลงแห่งจิตก็ตามจึงไม่มีปิสาจอลายคือเธอในกรณีนี้เมื่อไปแล้วสู่ป่าก็ตามสู่คนไม้ก็ตามหรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาในรอบ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 ว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝน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 ทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้มเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิต ห้ใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้หระงับอยู่ห้ใจเขา้าทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้หระงับอยู่ให้ใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต ให้ใจเข้าให้เป็นผู้รู้ปรามเฉพาะซึ่งจิตให้ใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่ให้ใจเข้าให้เป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งยิ่งให้ใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิต ให้ตั้งมั่นหายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าให้เป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกทำการศึกษาฝึกฝน ให้เป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงยู่เป็นประจำหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้เห็น ina, ซึ่งความจางกลายยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้เห็นซึ่งความจางกลายยู่เป็นประจำหายใจออก เพื่ทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืน อยู่เป็นประจำห้ใส่ออกิกสุทท้ายเมื่ออาณาปารสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้แหละความหวันไหวโยกโกลงแห่งกายก็ตามความวันไหวโยกโกลงแห่งใจก็ตามย่อมมีขึ้นไกกม่ม ไ, ได้ก็ในอีกสมัยหนึ่งท่านพระมากพินะพักอยู่นะมัทักุตชิม มัตถกุจิวรรกตัยวันในเขตพระนครราชกุลกล่าวหนึ่งท่านใบลีกเรินยูนิตีสงัดแห่งหนึ่งได้มีความบริวิตกเกิดขึ้นในจิตเขางท่านอย่างนี้ว่าเราควรไปทำอุโบสถหรือไม่ควรไปทำควรไปทำสังฆ ก, กรรมหรือไม่ควรไปทำโดยที่แท้ เราเป็นผู้หมดจดแล้วด้วยความหมดจดอย่างยิ่งในที่นั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความปริวิตกแห่งจิตของท่านพระมหากปินะด้วยจิตของพระองค์จึงได้ทรงอันตรธานจากผู้เขาคิชกูดมาปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านพระมหากินะเปรียบเหมือนบุุษผู้มีกำลังแข็งแรงเย็ดแขนออก แล้วกูเข้าทนันได้ส่งประทับเหนือพุทธาอาสนะที่เขาจัดไว้ถวายฝ่ายท่านพระกปินะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งนที่ส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำนี้กับท่านพระมากปินาว่ากปินะนะเธออยู่ในที่เหล็กเรนได้มีความปริพิตกในใจเกิดขึ้นว่า เราควรไปทำอุโบสถหรือไม่ควรไปทำควรไปทำสังฆ ก, กรรมหรือไม่ควรไปโดยที่แท้เราเป็นผู้หมดจดแล้วด้วยคำหมดจดอย่างยิ่งดังนี้ข้อนี้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระผู้มีพระปาได้ตรัสว่าพระามถ้าพวกเธอไม่สักการะไม่เคารพ ไม่นับถือไม่บูชาซึ่งอุโบสถเมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่าจากสาการะเคารพนับถือบูชาซึ่งอุโบสถ ด, ดูก่อนรามเธอจงไปทำอุโบสถจะไม่ไปไม่ได้จงไปทำสังกกรรมจะไม่ไปไม่ได้ท่านพระมากินะรับสนองพุทธพจน์อย่างนั้นแล้วลำแบบนั้น พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ท่านพระมาหากปินะเห็นแจ้งสมาทานอาหารราเริงด้วยธรรมิกถาแล้วได้อันตรธานหายกลับจากณมัตถุมัทมทักกุ จ, จิหรืกะทยวันมาปรากฏที่ภูเก่าคิจกูฏเรื่องพระมาหากปปินะ